ก็จะสอนกันตลอดเวลาเรามาดูรอบตัวเราอะไรที่มาอยู่รอบตัวเราก่อนที่เราจะได้มาอยู่ในสภาพแบบนี้มีอะไรเกิดเึ้น บ, าบ้าร้ายอย่างในพู้ตีดคล้องติดสัญญาณบอกเราเราก็ได้มารวมกัน เราก็ได้ตรวจได้สาธยายตมนคำสอนพระปริจาที่ได้ทรงสัง่งทรงสอนเอาไว้พกเราก็ได้นำมาสาธยายในชลาในผ้านุ่งผ้าห่มมีอากาศหายใจในเพื่อนในเม็ดใลายอย่างที่เราได้ ในชีวิตที่วาถ้าจะมองดูตัวเรานี่มันก็ไม่มีอะไรที่ซึ่งตนเด่นได้สักอย่างถ้ามันมีความดีในเดีัจชัยอย่างอื่นเช่งอื่นเช่นไม้กระดานที่เรานั่งอยู่นี่ต้นไม้ที่มันสร้างตัวขึ้นมาเป็นหลายสิบปีเป็นร้อยปีวอมเ้ เราก็ไปเอาเขามาเอามาทําเป็นที่วางใจวัตถุทิพย์ต่างๆที่เกิดธรรมชาติเป็นแรกเป็นตองกฤษสีเป็นอะไรต่างๆร้ายอย่างเราก็ไปเอาเขามาเสื้อผ้า อ, อากรทหารการกินได้มาจากสิ่งอื่นวัตถุอื่นทางนั้น ตัวเรานี่ซึ่งตัวเราไม่ได้สักอย่างเราก็จังว่าเราเก่งแทนที่จะอ่อนน้อมก็ต้องเก่งทุกอย่างขอบคนต้นน้อยขอบ ค, คุณปุ่ยพืชขอบคุณเม็ดข้าวเม็ดถั่วเม็ดมดาที่เกิดจะมาทำธรรมชาติทําให้เรามีเลือดมีเนื้อมีชีวิตติตใจทําให้เราได้ทำความดี ชีวิตของเราก็รวมลงอยู่ที่กายสิ่ใจแต่เรายังเอากายเอาใจจะ้องกามชั่วอยู่เขาก็สุดชั่วที่สุดแล้วเราจึงเอากายเอาใจของเรามาทําความดีเติมนูฉนอมสิ่งต่างๆอย่างพอเหมาะพอสมเราอยู่ในฐานะที่ต้องทาอาศัยหลายสิ่งหลายอย่างโดยเฉพาะ ที่เราม่ชีวิตรอดคือวมาได้ไม่พ่อไม่แม่ไม่ผู้สั่งผู้อสอนไม่ผู้ช่วยเผือเราเราจึงต้องมาทำชีวิตของเราให้มันเป็นประโยชน์ให้มันเกิดควดีจากที่เรามีชีวิตอยู่วิธีที่ทงควาดีก็คือมาดูแลกายใจของเราจะให้กายจะให้ใจของเราเป็นทิดเป็นไปต่อตัวเรา จะให้กายให้ใจพอเราเป็นเพชรเป็นพลยต่อเฉียงอื่นว่าตัวอื่นคนอื่นมันจึงจะคุ้มค่ากับเราท้ายอะไรต่างๆนี่เราจะมาสร้างความดีให้ความดีมันขยายออกไปแต่ถ้าเรามาดูแลกายดูแลใจเราดีๆแล้ ว, ลวก็ดูแลคนอื่นได้ง่ายแต่ถ้าเราดูแลกายใจของเราไม่เป็น การดูแลคนอื่นสิ่งอื่นว่าผุ้อื่นก็ยากเราจะมาเริ่มต้นมาปฏิบัติทมนี่แหละให้มารับผิดชอบดูแลตัวเราให้ดีๆในสติในสมาชัญญะคอยดูคอ ย, คอย <c oughs> รักษาจนเกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นมาได้เรียนได้รู้ไดยพ้นคิด พนโทษเลยทำประโยชน์ต่อตัวเองและคนอื่นถึงอื่นวัตถุรื่นนะแล้วก็ในชีวิตที่ว่าในค่าซะต่อเราก็ไม่ดื่มบุรีก็ไม่สูงไม่ทำให้เกิดความร ำ, ำคาญเกิดหูญนเสียอากาศดีๆที่เราหายใจมีสิ่งหลายสิ่งที่ ปลอยอากาศให้มันเป็นอากาศที่ดีให้เราได้หายใจแต่บางคนก็ไปทําลายอากาศทําลายดินทําลายน้ำทาลายธรรมชาติที่ทำให้เกิดการสูญเสียเราก็จะอยู่ไม่ได้เราจะมาปฏิบัติธรรมกันทําไมเราจึงต้องปฏิบัติธรรมเพราะว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมมันก็จะเกิดอ ทิศเกิดโทษเกิดภัยหลายอย่างเอาจากตัวเราตึงอื่นว่าตัอื่อนก็เกิดตามมาตอนน่อมีสิ่งที่ทําให้เราลงมากมายหลายอย่างความลงก็เป็นโทษเป็นภัยต่อตัวเรายังไม่พอก็เป็นโทษเป็นภัยต่อคนอื่นตังอื่นว่าตัอื่อนด้วยเราจึงมาปฏิบัติธรรมกันมาชวนกันมาบอกกันมาเล่าตัวกันฟังทาอย่างนี้อย่างนี้น ให่เราได้มีโอกาสได้ดูได้แรตัวเราได้ดูได้แรตัวคนอนื่นขอให้มันเป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ตัวเราอย่าทำให้เราเป็นพูมออกจากขยายออกไปให้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแสดงออกแต่เราคนนีู้้ทีิเจ้ว ข, ข้องกันในพ่อแม่พ่อแม่ก็มีลกูกไม่เต่ามีปัญญาสามี พี่าเิพี่นองมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรามากไปขอให้ชีวิตของเรนี่ที่มันมีอยู่นี่ให้มันเป็นประโยชน์เอาไปแบกไปปั่นเอาไปให้ทําเอาไปทําให้มันเกิดความรอดความปลอดภัยของทุกสปิสที่เราจะสามารถทำได้นี่แหละสื่อสารปฏิบัติธรรมให้เข้ว่าก็ ปฏิบัติธรรมจะโกเก๋ให้คนมากราบมาไหวไม่ใช่ปฏิบัติธรรมต้องไปช่วยคนอื่นไม่ใช่อยู่ในฐานะที่ไปช่วยคนอื่นนอกปฏิบัติธรรมไม่ใช่คนนั่งให้คนมากราบมาไหว้อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่เราจะทําต่อกันให้ในชีวิตเพื่อจะได้ช่วยคนอื่นเราช่วยชีวิตคนนั่นเพื่อให้เขาไปช่วยคนอื่น เราไม่มีเวลาไปช่วยผลิตได้มากเราในรูปแบบในวัฒนธรรมในประเพณีี่เราจะต้องทำเราทำกับคนคนเดียวคนคนหนึ่งก็ไปทำคนนี่หลายร้อยหลายพันคน ม, มันก็เลยเกิดปูนเกิดกุศลขึ้นมาเลยมีวัดวาอารามในศาสนาในพระสงค์องค์เจ้าอย่างนี้ไม่ใช่พ็เรามาตีกรบกัน อน น, นอาจารย์ของฉันนั้นมี่ลงพ่อของฉันพิธีฉันทำแบบนี่ไม่ใช่ต้องเปิดตัวต้องรักในความรักในโลกไม่มนคนที่ทำดีมากมายใน้สาธนาที่สอในให้คนทำดีหลายสาธนาเร า, เราจะเราจะเป็นเนดเป็นเพื่อนของคนทุกคน มาเลยแต่ เ, เกมให้ศาสนาอื่นมานรับถือศาสนาแบบเราเช่นว่าพุทธศาสนาอะไรก็ได้ถ้าเขาทําตัวเป็นคนดีมาจากคิดไหนทางไหนก็ได้มาช่วยกันมาผลชงให้ปัญหาต่างๆมันพ้นจากโลกถ้ามันเจ็จริงอะไระพ้นจากโลกค้นจากตัวเราแต่พ้นจากตัวเราก็อาจจะพ้นจากคนอื่นเป็ืไนได้ไม่ยากให้เราคิดไส จึงมีการเริ่มต้นมาทําความดีมาปฏิบัติทำมาเจริญสติมันจะเห็นปัญหาไปแก่ปัญหาตนได้ก็แก่ปัญหาคนอื่นได้มันจะเกิดการป้านเกิดโจดทําให้เราเฉลวยหลายหลายอย่างตั้งใจเจริญสติมันก็จะเกิดความหลงนและโบทเรียนของเราก็อยู่ตรงนั้นด้วยบทเรียนที่มันมีอยู่หลายอย่าง เชิขึ้นกับกายกับใจเราคิดก็มีถูกก็มีทุกข์ก็มีสุข ก, ก็มีหลายอย่างแล้วก็ได้เรียนรู้เราเรียนรู้มีประสบการณ์ล้วก็ใช่เหตุใจเหราั้นเกิดสร้างสรรตัวเองเ็นเหมือนเกิดอาการอะไรสำนักปฏิบัติ เราจเจริญสติมันไม่มีสติธรรมดามันมีอะไรเกิดขึ้นหลายอยา่างมีความเครียดบ้างมีความหลงบ้างมีความทุก์บ้างมีอารมณ์ต่างๆไม่พอใจไม่ตัาฐานมา แ, แล้วมันเกิดขึ้นมามันคืออะไรที่มันเกิดขึ้นกับเราบางทีมันเกิดความเบื่อน่ายแต่มันเกิด อ, อะไรความเบื่อน่ายมันเป็นตัวเป็นตนหรือหรือจะทํา หรือเราจะทำตามความเบื่อหน่ายของเรามันเกิดควรามที่เกลียดมันอะไรมันเกิดไปอย่างนั้นเราจะทำตามความที่เกลียดมันจะโผล่รู้สึกอย่างไร <c oughs> <c oughs> เพราเรามีเกณฑ์แล้วเรารู้สึกตัวแล้วเราก็กลับมาสร้างความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวที่เราสร้างก็ต้องปรับเหมือนกันปรับแผน แผนของกายแผนของใจฉากของกายฉากของจิตใจไม่มากอยู่จะไปสู้ฉากเดียวตันักมวยเถ้าเขาชกกันก็ต้องมีหลายฉากนักกีฬาที่เล่นลงสนามก็ต้องวิ่งไปทางน่นวิ่งไปทางใช้วิ่งไปทางขัววิ่งไปข้างหน้าต้องมีฉากฉากของกายก็มีฉากขอ ง, ของจิตใจก็มีฉากความคิด เปลี่ยนแผนในความคิดมันหลงเปลี่ยนแผนมันหลงในติดเปลี่ยนแผนติดให้เห็นฉากที่มันลูกหอนนักถ่ายภาพที่มันไม่ชัดนะครช่องหาทางที่มันเกิดภาพชัดขึ้นมาอก็มไม่อยู่ตอนนั้นก็หาสิอยไปจนมันในทางอยู่ จะไปจนกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับจิตของเอซิกเช็ค ก, กับเขาบ้าโบราณท่านว่าไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคนไม่ได้ด้วยคนก็เอาด้วยคาถาสู้ด้วยมนสู้ด้วยคนสู้ด้วยคาถาสู้กับตัวเองที่จริงก็ไม่ได้สู้หรอกปฏิบัติธรรม มันเป็นแต่เปลี่ยนเท่านั้นเองมันง่ายอยู่แล้วมันหลงก็เปลี่ยนไม่หลงนะ่ะไพรเท่านั้นเองมันทุกข์ก็เปลี่ยนไม่ทุกข์แต่ยพก็เท่านั้นเองมันโกรธก็เปลี่ยนไม่โกรธแี่เพราเท่านั้นเองไม่ได้เกณฑ์ให้ใครมาช่วยหรอกไม่เหมือนอันอื่นในการปฏิบัติธรรมท่าจะว่าแล้วมันสะดวกนะ มันก็เกิดขึ้นมันเหมือนกันคล้ายๆกันมาปฏิบัติเพราะเราทํามันเดียวกันเรามีกายเรามีใจมาศึกษาเรื่องกายเรื่องใจเรื่องกายเรื่องใจก็จะแดงออกมัเหมือนกันอาจจะมากบ้างน้อยบ้างมันก็คือกายคือใจนั่นเองแต่เรามันมีปัญหามากเราก็ฉลาดมากมีประสบการณ์มาก อย่าแต่ว่าโอ้ยเราไม่ไหวโอ้ยเราไม่ไหวอย่าไป็ิดแบบนั้นการปฏิบัติทำมันมนทางมันพบทางอยู่อแม้ไม่มีครูอาจารย์ไปให้อารมณ์ไปสอบอารมณ์หลว ง, งพ่อพูดตอนเช้าตอนเย็นอาจารย์พูดแต่อาจารย์ไปสารพูดตอนเช้าตอนเย็นก็พูดพูดกับทุกคนอยู่แล้วก็พูดเรื่องที่เราทําอยู่นี่แหละ อาจจะไม่ใช่ส่วนตัวส่วนตัวแต่ว่ามันเป็นส่วนรวมที่พูดไปแสดงไปเราก็ฟังแล้วเอาไปทำเป็นบอกว่าเวลาใดมันหลงก็เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นะให้ไปทำเอาเองตรงนั้นนะมันหลงก็มีโอกาสได้เปลี่ยนความหลงเป็นความรู้นั่นมันก็ทำเอาเองไม่มีใครช่วยคทำพูดตั้งปีสองปีก็ยังใช้ได้อยู่คำตัดสองพระพุทธเจ้า การตัดสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าเอามาใช้ก็ใช้ได้อยู่ความรู้สึกความระลึกได้ความรู้สึกความระลึกได้อยู่กับพระพุทธเจ้าความรู้สึกความระลึกได้อยู่กับเราอันเดียวกันไม่ใช่เป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นของพระของไม่ใช่เป็นของทุกคนนี่จึงยกนี้ไว้สอนก็ได้การปฏิบัติธรรม เท่านี่หรือว่านัางก็ได้อย่างนี่หรือเท่านั้นก็ได้เป็นเช่นนี่หรือต่อเท่านั้นก็ว่ายานันก็ได้แต่น้ก็ต้องให้มั่นใจนในศรัทธาไม่มีศรัทธาแล้วก็สอนัวอืองให้มากการสอนเตือนก็มีเกียงเวท ล, ล่องหลายอย่างอธิษฐานใจเมอจะนั่งอยู่ตรงนี้จะเดินอยู่ตรงนี้ดูสักหน่อย มันแค่แบบคิดนนไปโน่นกับไปโน่นมันอยากไปไปโน่นกับไปโน่นมันอยากจะไปโน่นกับไปโน่ น, น, น, นถ้าทำแบบนั้นกัาทำตามความคิดไม่ได้สอนเตงแต่ทำตามความคิดทุกเรื่องที่มันคิดจะมาไฟกับมันเลยมันก็ไม่แค่นะั้นมันก็จะมากขึ้นมากขึ้นมันจะใช้เรามากขึ้นเราก็จะลงตัวเรามากขึ้นความลงก็สร้างความลงให้คอบงอมยั่งยีเรา ควที่จะมีสิทธิมีสิทธิให้แก่ตัวเองที่จะต้องไม่หลงที่จะต้องไม่ทำตามความคิดต้องตอบลองดูสักหน่อยในการปฏิบัติทำลองดูสิมันจริงไหมมันจะต้องทำอย่างนั้นจริงไหมแล้วอเราเดินไปตอนคืน เห็นไม้มันขวงทางนึกว่าโง่ออ ก, กระโดโดโหลดเต็นหนี้ไปลองดูที่มันโง่จริงๆไหมดูจริงๆอาจจะเป็นไม้เฉยๆไม่ต้องไปเสียกำลังี่ต้องทำตามอันไม่ใช่จะไปให้มันสั่งแต่เพื่อเคือตายของเราใจของเรานี่คือการฝึกหัดคือการเรียนรู้ ใจของเราถ้าเราเรียนรู้มันก็จะฉลาดเรื่องกายเรื่องใจนี่แล้ะมันก็เป็นประโยชน์ถ้าฉลาดเรื่องกายเรื่องใจแทนที่จะเป็นประโยชน์ใจเราคนเดียวชีวิตเดียวมันไม่ใช้มันจะเป็นประโยชน์ต่ออีกหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างอันเกิดเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเป็นประโยชน์หลายอย่าง พอดใครอีกหลายอย่างที่มันไปกับตายกับใจเราแล้วเราก็เป็นชีวิตแบบนั้นเป็นชีวิตที่เป็นสังคมในครอบในครัวก็ยิ่งดีจะได้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวของเราครอบครัวของเราก็ไม่ใช่โรคแค่หลานทำลรนี่วัตถุเจืงของ ที่จะต้องอยู่ด้วยกันใช่ให้เป็นอแล้นก็ขยายออกไปนี่คือการปฏิวัติธรรมไม่ใช่อคนนั่นเขาปฏิวัติเราไม่ได้ปฏิวัติคนนั่นก็เป็นคนดีเราไม่ได้เป็นคนดีไม่ใช่ไม่ใช่ ไ, ใชไปบอกเป็นผู้เป็นคนก็เป็นอันเดียวกันนะถ้าคนทําชั่วเราก็เดือดร้อน ถ้าคนทําดีเราก็สบายมันก็เสือเดียวกันเย็นเดียวกันเช่นพวกเราอาศัยอยู่ในธรรมะวินัยถ้าคนผิดธรรมวินัยแล้วก็เดือดร้อนโบราณท่านว่าอ่าตัวเดียวเน่าขับของไวสองสามวันมานี้ยเราก็ไปดูรถ นังสือพิมพอ่านหนังสือพิมพ์อยู่บนโต๊ะเขาถ่ายรูปพระธรรมทูตในเมืองไทยไปเผยแพร่ประสาสนาในสหรัฐอเมริกาถ่ายรูป ก, กับผู้หญิงสองคนข้างขวาเขาผู้หญิงคนหนึ่งข้างซ้ายเขาผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงเอามือโอบตาอะไรก็อตาจะเดินยืนยิ้มอยู่แล้วออกมาให้เราดูนี่นะ ธรรมโต๊ดจะไปเผแพร่พระธศาสตรณในเมืองไทยทำอย่างนี้เสียหายไหมภาพเภาพพระสงฆ์จริงๆมีชื่อเป็นมหาเรียนด้วยเาวราก็ส่งภาพมาให้พวกเราดูในหน้าห น, นังสือพิมพ์เรก็อายเราเป็นพระสงฆ์ใช่ไหมเา้าก็อายออาพระสงฆ์ก็เป็นอย่างนี้นาะคนที่ไม่รู้เขาก็เมาไปหมดเลย เออในเทศของเคยสมมองเองติมศรัทธาพราเราก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนจริงๆแต่วัหนึ่งหลว ง, องลมมาาพกง อ, งอง ก, งก็เคยขึ้นรถที่ชัยภูมิหัวจากกรุงเทพขึ้นรถมาแชีงคพอกทุกท่านก็เคยเคยไปนั่งข้างหน้าในเบาะหนึ่งพองไปนั่งอยู่เขาบอกเบาะไปนั่งข้างหลังไปนั่งข้างหลัง แล้วก็ลงไปนั่งข้างหลังพอไปนั่งข้างหลังคนก็ขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็คนก็เบียดเราบันไดที่เรานั่งกับเราที่เรานั่งกับบันไดมันอยู่ใกล้ๆเกิดเขาขึ้นไปขึ้นไปเขาก็เบียดเราก็หลีบใหก็หลีบไปได้เพราะมันจําเป็นเขาก็มาบอกลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนลงไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปเที่ยวหลังเ้าก็ไปเที่ยวหลังเราก็ลงไป ก็อาจจะมองมาเออมันพับพร้อมนะพระอเมรจ้งข้อหนแล้วก็มีก็มีลังกันไม่มพระพร้อมตำบลหนองขามอเมยเจ้งข่อนเ ข, า, ข, นขาก็เรือข่อหนอึ่งกันนะไปซื่อตัว๋วกรุงเทเพเทยภูมแล้วก็พยายามที่จะไปที่ยังไม่ค้นได้ไหนมากพอเขาเปิดปั๊บเราก็จะมองที่เขาเปิดแล้วก็ไปชื่อตัว๋ว เขาไม่อยากเข้าคิวกับพขกับคนพอไปเชื่อตั๋วเขาบอกว่าเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อเดี๋ยวก่อนมัน ก, ก็นมานั่งเราคนอื่นเขาไปเชื่อตั๋วเขาชื่อได้ชื่อเอาเขาไปเื้ออกอเขาไปเชื่อออกเขาไปเืออแล้วก็ให้เขาชื่อก่อนพอพอเห็นคนชื่อมาคำนวณดูว่ามันจะเต็มเราเราไปชื่อกับเขบาเขาบอกว่าเต็มแล้วเต็มแล้วหลวงพ่อ ออะไรเนาะแต่ว่าก็จะรอดเหมือนกันจึงจาเป็นบางอย่างทำมว้ใ น, นของเราเป็นพวกเราอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีสิ๋สามัญญะรักษนะไม่เสมอกันมันก็ไม่ไม่ก็ไม่ค่อยดีเราจะมีทำอะไรทำเหมือนอนกัน แสงบก็เหมือนการอยู่แบบนักปฏิวัติเหมือนกันไปขอกไปฉันเดียวกันไม่ใช่แบบโน่นแบบนี้แหะอยากโยมกันกันตามันจะลักษณะเปลอเดียวเมล็เดียวโลกเข้าเราห ล, า, ลานอยู่ครอบเพลเดียวกันคนหนึ่งทำงานแทบตายคนหนึ่งคนเล่นมันก็ไม่ไหวคนหนึ่งหาคนหนึ่งก็เจ็บรักษา สามีพันยาคนหนึ่งหามาคนหนึ่งเก็บรักษาคนหนึ่งเป็นแขนซ้ายคนหนึ่งเป็นแขนขวาโบราณท่านว่าคนหนึ่งกอบคนหนึ่งดำหัวทอดเมียภยัยหัวเก็บเมียดำมันก็จเจริญเจริญถ้าคนหนึ่งในครอบครัวทำเดือดร้อนเราก็ลำบากบางทีเราทำผิดคนเดียวคนทุกคนหนึ่งคนทุก ต้นเชมญชวนกันปฏิบัติธรรมและเรียบวินัยต่างๆ ต, ต, ตัวบทกฎหมายคาสอนของพระพุทธเจ้ามันก็มีบาป ท, ที่บุญจริงบาปก็ททำให้เป็นทุกข์จริงๆบุญก็ทำให้มีสุขจริงๆทำให้คนดึกมีความสุขแดงออกทางกายทางวายจายทางจิตใจ การให้คนอื่นเป็นความทุกข์ก็แสดงออกทางกายทางวาจาทางจิตใจนั่นเราก็มีเท่านี้ที่เราจะต้องดูแลรักษาให้เหราวิสัยที่เราจะทําได้ถ้าปฏิบัติต่อกายต่อใจดีๆนั่นมันไม่อยู่แค่นี่ตายใจของเราไปตายที่สุดตรงกันไปตเหมาตั้งปริ้าตลมพังเกิดขึ้นเพียงพระองค์เดียวจนส่งมาถึงนี่ สองพันห้ารอยเจ็ดห้าร้อยสี่สิบเจ็ดปีตรแ ต, ต, ต, ต่พวกเราจะมีสีมือไหมที่จะส่งพุทธชาตินะไปทีาา่จะดโดยพวกเราก็มาปฏิบัติธรรมมาช่วยมาสอนกันมารับเอาไปทำเอาไปทำทด้วยมบ้านกับช่อง ไปยทำอยู่กับอาชีพหน้าที่การ ง, งานตามฐานนะตามสมมุติบัญญัติรับผิดชอบกันจริงๆแต่ถ้าใครที่ไม่โอกคกอามาช่วยกันเอาชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยอา้าวเพื่อการนี่โดยตรงก็จะเกิดกลังขึ้นมาเช็นปีนี้ในแต่พระหนุ่มๆในแต่พระที่ไม่คนละภาค ในฐานะที่เป็นปัญญาชนในผู้เข้าใจในการปฏิบัติธรรมพอสมควรอยากโยงก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมตอสมควรงดเว้นจากก็เว้นการทะเลาะไปวาดงดเว้นจากความหลงต่อทำให้คนอื่นเพื่อนเราเดือดร้อนโดได้วยความสงบร่มเย็นเข้าไปเจ้าสรรเสริญ ถ้าจะไปคุยกันพระพุทธเจ้าบอกว่านอนดีกว่าทั้งๆที่การนอนก็เร็วที่สุดแล้วการไปพูดไปคุยกันพระพุทธเจ้าให้นอนกลางวันดีกว่าตั้งๆที่นอนก็ไม่ดีเลยวพระพุเจ้าเสนอให้ทำประโยชน์นให้ทำประโยชน์ชาติประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประโยชน์ต่อโูก มีหลายอย่างที่เรานั่งอยู่วัดป่าสุโกโตอาจจะเป็นประโยชน์ต่อโลกหลายอย่างที่เราแสดงออกไม่ทำให้อตูนเสียไม่ทำให้เกิดปัญหาเห็นเรารักษาสุขภาพของเราดีๆต่อประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อยกซื้อยาหมอรถหอาลาไปหาหมอไม่เจ็บใค้ได้ป่วย ตัวในโลกมันมากก็ต้องให้เก่งกว่าเก่าเกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้เหมือนคนโบราณโลกอะไรมันเกิดขึ้นเยอะแยะสมุมดเลยอาหารเป็นที่80เปอร์เซ็นเกี่ยวกับอาหารนะถ้าเรามาศึกษาเรื่องชีวิตของเราที่ดีมันครบอง จ, อจรมั น, นครบองจรเก่งตวนกันนอกวกเรา แล้วหลักปฏิบัติก็ไม่อยู่งจริงเริญสติเนี่ยมันก็มีสติจริงๆมันก็ไม่หลงขนาดที่เราไม่สติเวลาได้มันหลงเราไม่สติกลมหลงก็หมดไปได้จริงๆเริ่มต้นจากนี้ไปเอาไปมาก็เก่งไปเรื่อยๆเก่งไปเรื่อยๆจนจับทุกข์ได้สิ้นเชิงจับทุกข์ได้สิ้นเชิง เมื่อดับทุกได้สิ้นเชิงมันก็อยู่ไม่ได้เราก็าต้องไปช่วยคนอื่นเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงที่จะไปบอกไปสอนคนอื่นสอนคนอื่นก็สอนเหมือนเราทํานี่แหละเพรามันเป็นอันเดียวกันหลักสูตรอันเดียวกันสูตรของกายสูตรของจิตใจสูตรของกายเปลือกกายยาในภาชนาสูตรของใจเรลือกจิตตาในภาชนา ในกายานปุปจนานในกิตตานุปจนานมันก็มีอะไรอยู่บนกายบนจิตหลายอาย่อางเป็นตกเป็นทุกข์ก็มีหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วฮะมันตกกันตกหลักสูตรนี่ก็พอมันจบหลักสูตรนี่แล้วอันเื่นก็ปัญหาก็จะไม่มีถ้าไม่จบตรงนี้ปัญหาก็ตามมาปัญหาที่เกิดกับกายกับใจไม่ใช่ เด็กห น, น่อยไปเป็นภพเป็นภูมิเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นในนรกเป็นในรชานญเรียนว่าตายเกิ ด, กดหลงโทษตัวเองโชคแล่าโชคเล่าหลงแล่วหลงเล่าความหลงก็ไม่ใช่เกิดความหลงเฉยๆมันแสดงออกด้วยความโกรธก็ไม่ใช่ความโกรธเฉยๆมันแสดงออกด้วยไล่กาดเปิดโทระัพท์ไล่กาด แต่ทศชายเป็นภาคายทุกวันไม่ฆ่ากันตายทุกวันทุกวันจนในที่สุถูกฆ่ากันตายทุกวันมันจึะมารีบต่วนสักหน่อยให้มันทันเหตุการณ์ชีวิตเราหายใจเข้าไม่ออกก็ตายแล้วหายใจออกไม่เข้าก็ตายแล้วมันจะไม่ทันเหตุการณ์ จะไม่ได้ถึงมรรคผลในเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกได้มรรคผลต้องอยู่กับลมหายใจเข้ากับลมหายใจออกถ้าหมดลมเมื่อไหร่มรรคผลก็ช่างระ ย, ยาจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนเร่งด่วนตัวย่างรู่สึกตัวลู่สึกตัวเอาไว้อเอาลมหายใจมาเป็นสูตรก็ะดาสูตรของกายเยใะแยะที่จะปลูกความโลภมา ตาก็รู้ได้หายใจก็รู้ได้เ่อนทำลายก็รู้ได้เคลื่อนไหวไปมาก็รู้ได้ไม่ลำ บ, บากไม่ยากจิตใจนี่ก็มีประตูเดียวคือวันคิดมันหลงเปิดความหลงทางใจให้มีทวารเหมือนเดิแต่ว่ามันก็ไหว เราไม่ทันทํ่มาศึกษาเรื่องกายก่อนการปฏิบัติใหม่ๆอย่าทั้งไปคุม จ, จิตใจมันจะไม่อยู่เสรเดะถลายไปเลยจะไปคุมมันเอากายจะก่อนเหมือนสภาพร่างกายเรามีเส้นมีเอ็นตรงไหนที่มันเจ็บอาจจะไม่ต้องเป็นดีดไปแก้ตรงนั้นอาจจะไปทํามันเดินก่อน อาจจะไปจับตอนอื่นก่อนถ้าเราปวดท้องอาจจะไปกินยาก่อนไม่ใช่จะไปแก้ตรงที่มันปวดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันมันเป็นสุขเป็นทุกข์ที่กายที่ใจก็ต้องมาเจริญสติก่อนมันปวดต้นโลกมันหลงที่กายที่ใจต้องมาเจริญสติก่อนถ้ามาเจริญสติก่อนแล้วมันค่อยเป็นไป ดีไม่ไดีฟวามโกรธความโลภฟวองหล ง, งไม่ต้องไปทํากับมันเลยมันหายไปโดยสโลสตัวถ้ามีสตินะแต่ถ้าไม่มีสติจะไปเรียนรู้อะไรเหตุผลอะไรมันก็ไม่ได้ต้องมาเจริญสติเนะี่ยทําอย่างเดียวทําอย่างเดียวความถูกมาเป็นพวงพวงความผิดหมดไปเป็นพวงพวงเหมือนกันเนาะเห็นบอลไหมเพื่อนอ่าแลมแปดคำเก่าคำเดือนเก่าแล้ว แรงแห้งกันนะมันจะเกิดวิคิดกันมาต้องเตรียมตัวประหยัตดต้นอเด้อตอนลูกตอนหลานสินขาดกันราคาแพงเึนต้องพอไปซื้อทองเ ม, มื่อวานซื้อว่าอะไรเลยแพงแต่ก่อนจากสี่สิบสามบาทเมื่อนี้ไมื่อวานไปซื้อหาที่ห้าบาทต่อพี่ๆนะนับแต่คลองสีแพงขึ้น แต่ยัดตัวต่อมผูที่สูบยาก็เลิกสูบยาผู้กินเหลาก็เลิกกินเหลวผู้ที่เทวเตเลอร์รออประยุทธ์จ้าตำงวจต้องการจะร้ อ, อมรอมลิบมันจะกระทันโลกอบอกโกหกบอกกลานเพื่อนเขาทําความดีไปบอกไปตอกันไปเรลาไหเขาโกรธให้เขาหายใจใเขาหายใจออกแต่ก็ทําำสมาธิให้เขาแพ้เมตตา ถ้าหลานแน่น่อยแพ้มตาตอนที่นอนสะเเะตายกันทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกใข า, านนมปาได้้องบอกเขาได้ป้อ่อกเขา่นหน่อยมันกติ ด, ด่มันจะของนางผู้เดียวเออหลานมานางน้าห น, นุนหัวเขา่ากายขาอะไก็ได้มา น, นอนนะตอะนเขาให้มันติดอ้าวในก็ได้เวลาแล้วพอสิ้นแม่สิ้นทั้งหลายอตอนสมาทาน เต็มต่าประเทศนี้เรวันโอชดขึ้นหนึ่งหนะึ่ง